กรุงเทพก็มีที่นี่มาจะลาล้ารถพังอกสานก็ฟังไม่ออกอีกละ <c oughs> อไม่ทั้งไทยทั้งลาวแต่แล้วก็ไม่สันทัดดอกแต่พอพูดได้งูงูงปลปลาไปคำสอนแต่ละอย่างของมพระพุทธศาสนาสอนให้นี้จากเวรสอนให้นี้จากภัย ตอนนี้ญญเว้นเวนเว้นภันับแต่ปานาธิบาตเป็นต้นเป็นวิชานี้จากเวีนจากภัยถ้าไม่เว้นปานาธิบาตรับการสร้างเวีนก็อันเดียวกันสร้างภัยก็อันเดียวกันสร้างมาเป็นที่พึ่งของตนอธินาธานก็เหมนกันถ้าเว้นจากอธินาทานแล้วไม่รักยบยบหอก็คือ ดับความชื่วของตนคือปาฏิจารเวียนไพรจึงว่าเวรมานีเวรมานีทุกอย่างทุกอย่างเวรมานีแปลว่านี้จากเวรมนแ้พ้นจากเวรมนแ้มนีแปลว่าเวนเน้นแล้วศรัทธาความเชื่อในพุทธศาสนาเป็นของสำคัญมากถ้ามีศรัทธาปัญญาก็ไม่เือ ถ้าไม่มีปัญญาศรัท ธ, ธาก็ไม่คือดศรัท ธ, ธาเชื่อนะพูธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของสำคัญมากศรัท ธ, ธาเชื่อว่าทำดีด้ดีทำชั่วไร้ชั่วเป็นต้นถ้ามีศรัท ธ, ธาเชื่อเนี่ยมีปัญญาธรรมยุนะ์แล้วคาสอนของพุทธศาสนาก็เป็นไปเองไม่ปฏิบัติน้อยกว่าปฏิบัติมากตามสถิติกำลังของตน คำสอนเจริญวัฒนบาดสอนในนี้จับเวรจักภัยตลอดถึงสอนให้ข้ามโลกข้ามหลุมฐานเพิงตัวแก่เก็บใยก็คือหลุมฐานเพิงเราดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นแต่อาศัยความเคยชินของพวกเราก็เลยพออยู่พอไปกันเอาอยู่ก็อยู่เพื่อตายพอไปก็ไปเพื่อตายไปก็ทุกอยู่ก็ทุกกินก็ทุกนอนก็ทุก เขยังไม่พ้นเป็นพลทหารเมื่อไม่พ้นยังเป็นเมื่อไม่พ้นเป็นพลทหารแล้วเขาตะกละวากินกับทุกนอนกับทุกนอนกินอยู่กัทุกเดินทุกนั่งทุกนอนทุกคนเองฉะั้นใดก็ดีเมื่อกําลังแหวกว่าอยู่ในทะเลยังไม่ถึงฝั่งเขเรียกว่าทุกถึงฝั่งเมื่อใดขึ้นบนฝั่งแล้วจึงจะว่าพ้นทุกจากการแบวว่ายน้า เราจะทำไม่รูกอินูอีนีสัก เ, เพียงไหนก็ตามแล้วก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองถ้าใครกำนักโทษจะไม่นึกออกจากทุกข์สักเพียงไหนก็ตามก็อยู่ในคุกนั่นเองนกเขานกกระทาเชือเขาเอามาขังไว้ในตรงในในในในกรงอนี่ นั่นกินอิ่มนี้พียมันก็เพียงไรก็ตามมันไม่วา้ใจในกรงของมันมันโกนเวียนอยู่ถ้าในช่องแล้วมันก็บินหนีมันไม่คืนมาอีกเหมือนหมูหมูก็าหลอกคืนมามันก็มาเด่ในเวลาเขามาฆ่ามันมันก็ดรีนตายเห็นมันก็รอกตรงนี้นกเขานกกระทานั่นมันออกจากกรงแล้วมันไม่คืนมาละ เั่นใดก็ดีพออริยเจ้าทั้งหลายเมื่อเบื่อนายคลายเมาเนี่ยวัฏจักรสงสารแล้วเมื่อกลับคืนมาติดอีกเขเห็นชัดแน่เห็นมีแต่ทุกข์มองดูอดีตก็คือทุกข์มองดูอนาคตก็คือทุกข์มองดูปัจจุบันก็คือทุกข์เส ม, มอกันไม่มีข้างหน้าข้างหลัง ไม่เสียดยอะไรอยากจะสมัครอยู่ในวัฏจักรสงสารเสียดายและอะไรจะพิจารณาเพื่อเพิ่มความเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏจักรสงสารเท่านั้นเพราะปัญญาเห็นชัดเห็นในใจโลกธาตุจนไม่รู้ความทุกข์จนไม่รด้วยวม่วยวมุมผ่านเทิงเพิ่งแก่เพงเกศเกพิงตายไม่มีใครเป็นเจ้าของ แต่ก็มาแย่งเงากันแย่งไปแย่งมาประกายคาเงาไม่มีใครเอาไปได้ใครจะเก่งสักเพียงไหนก็าตามก็ไม่พ้นความตายเพราะบรมศาสตร์สานนายตายเบือ่อตายไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอยีกวิชาสอนไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็ บ, ไ ม, บไม่ให้ตายเองคำสอนของพระพุทธศาสนาสอนเพื่อมาให้มาเกิดแก่เจ็บตายอยีกมีความ หลังอย่างนั้นสุดท้ายของคำสอนนั่นเริ่มต้นสอนให้ธรรมะหาเียังชีวิตในทางที่ชอบเพื่อปฏิบัติชินธรรมโดยง่ายถ้าหากว่าธรรมะหายยังชีวิตใ น, ในทางที่ไม่ชอบแล้วการปฏิบัติชินธรรมก็ผิดเพีงเป็นไปได้ยาโรคคือมูสัตชนาพญาติ เข้าใกล้ๆมายัางยืนโลกคือมูสัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิม่มเป็นธาตุแห่งกัรหาโลกคือมูสัตว์ไม่มีท่านผู้ใดจะเป็นใหญ่กว่าใครจำจะต้องได้ทิ้งทราบว่าในแผ่นดินผู้ที่เกเรตเาบางแล้ว ก็ยินดีในการทนทุกข์ในวัเจ้าศัพท์ารผู้ยังหนาอยู่ก็ทะเยอทะยานในทางวัตถุนิยมตายคาวัตถุนิยมผู้ที่เหนียวบางแล้วก็ยอมตายขาประพุทธธรรมประสงค์พาวนาตายเลือดทุกโดดบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมด สกคนละกายสกุลละใจบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มดมีทางเช่นเดียวหวังเพื่อคนทุกนิมิตต้าท่องสารเลยเมื่อในหวังอันอื่นมีเจตนาอันเดียวไม่มีเจตนาหลายอันผู้ที่ยังกิเลสหนาะปัญญาหยาบ ก, ก็มีกิเลสก็มีความหวังลายอันอยู่หวังจากแขงดีแขงดินในราบในยศในชนรเสริญ ตลอดแข่งปากแข่งท้องของตนหวังจะร่ำจะรวยในวัรสงสารหวงลูกห่วงล้านห่วงเหลีห่วงสารพัด ส, สารพัดถ้าไม่ห่วงก็ไม่ได้เขาหากินไม่เป็นจำเป็นก็ต้องห่วงเพราะมาอยู่ในกองทุกข์ถ้าไม่หาไว้มันก็ไม่ได้จริงๆลูกล้านจะให้มันเอามาจากไหนมันหากินมายังไม่เป็นสิ่งเหล่านี้คืกองทุกข์นั่นละ แล้นาภาทุกฉันปะทุกทุกในการหากินอามบน้ำต่างน้ำถึงอย่างนั้นก็ไม่พอกินพฟแช่นี่ละกองทุกข์ในวัฏสงสารชัดทั้งหลายก็เหมือนกันตื่นขึ้นมาก็หากินอยู่ไม่ไหวไม่มีอะไรอยู่ในท้องพระเจดีเรียนแค่เพียงไหนก็ตามตื่นขึ้นมาก็ต้องวิ่งไปหากินเหมือนกันเดินไปหาขอเขา กินแล้วก็ทันแล้วกขาคุ้มได้วันเดียวตื่นขึ้นมาเขาขออีกนี่ฟองทุกอาหารก็ละเอียดทีทุกทุกในการท้ากินชาติปีทุกขาเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์เลยป ต, ติสนธิอยู่ในช่องวิดามันดาห้องเราก็เป็นทุกข์พอแล้วเพรานั่งคุดคู่อยู่เอามือข้าคาง ทิหน้าสส่ชั้นหลังมานดาเวลามานดานอนงายแล้วก็ความหน้าลงเวลานอนนาเวลามานดานอนตะนแคงล้วก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันเวลามานดาก้มลงที่เราอยู่ในคันแล้วก็เป็นทุกข์อีกเวลาวินามานดาเวลามานดาของเราเรียกวปัจฉะอุจจาะ ท่านก็ลำบากอีกเราก็ลำบากอีกอยู่ในท้องสรพัดท่องแกมาท่าะใดก็ยิ่งรู้จักเจ็บจักปวดมันดาก็เหมือนกั น, กนตัวเราอยู่ที่นั่นก็เหมือนกันทุกเกิดทุกมาแต่ปฏิสันทิ ทีนี้พอถึงว่าเวลาจะคลอดบุตรออกมาทีนี้แล้วก็เป็นทุกข์ใหญ่เราอยู่ในท้องของมานามานาก็เป็นทุกข์ใหญ่เหมือนกันเสียงบุญเสียงกรรมไม่รู้ว่าจะตายหรือจะยังปวดแค่ ป, ปวดท้อง แ, แล้วพระวิดาก็เป็นทุกข์ใหญ่ด้วย ญาติญาพี่น้องก็เป็นทุกข์ด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะตายหรือจ ะ, จะยังก็เสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมมุตตูนี้ทัองก็เสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมไม่รู้ว่าจะออกมาวิธีไหนอเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมเหมือนกันทุกทั้งภพทั้งผููไปดูด้วยทุกทั้งมารดาด้วยทุกทั้งวิดาด้วยทุกทั้งขยะนายาดด้วย เขาเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในเรื่องขอดบุตรนี่วิตก ว, วิการอย่างนั้นละ่ะทุกด้วยกันหมดส่วนลูกผู้ที่อยู่ในท้องนี่ลมก ร, ร ม, มัดชวาดพัดให้พินหัวลงนี่ลืมสติเสียแล้วนีคล้ายๆกับตกเหว ออกมาก็ดันออกมาในช่องธวันเบาของมันดาท่านเปรียบเหมือนดึงชางออกมาในทีิศเทพใสออกมาดึงออกมากระชากออกมาหรือไม่ช่นั่นเปรียบเหมือนตกหิวพอมาก็ลืมสติออกมาแล้ว นี่แต่ทันประทุกขเขาร้องไห้เชื้อเป็นร้องไห้ธรรมดาก็คือร้องไห้ทุกนันเองเขาเก็บปวดชนะพัดพูดไม่เป็นมีสัญญาณแต่เพียงร้องไห้เท่านั้นคือจะได้มาผ่านสนามทุกกำมือร้องไห้ชาติทุก ร่างกายอ่อนๆประทิษที่เสือประทิศที่กระดานมันแสบทั้งแสบทั้งคันทั้งคายทั้งปวดด้วยก็ลองให้ชาที่พทุขาเน่เป็นทุกทุกวานตลอดแต่ต้นจนทุกวันนี้ทุกเกิดทุกเก่ทุกเจ็บทุกตายไม่ลงธารมอาศัยความกินเคยก็อยู่ป่านไปแบบทำไม่รู้ไม่สิ ทำไม่รู้ไม่เชื่อบ้าพิจารณาบ้าทุกเกิดชุกแก่ที่นี่เมื่อแก่ก็แก่เป็นลําดับมาแต่ถือปฏิสนธิเจ็บก็เจ็บเป็นลําดับมาแต่ถือปฏิสนธิตายจากเส้าสายบ่ายเที่ยงก็ตายมาเป็นลําดับแต่ปฏิสนธิเมื่อเป็นดังนี้ก็เกิดแก่เจ็บตายก็ในลงธรรมชาทุกๆอันเต็มอยู่หนังหุ้ม พิจานรณาเนืองๆพิจารณาเย็นโทษพิจาราให้เบื่อนหน่ายพิจารณาให้ปงทําสังเวชหลงกดหลงโลกอันนี้ถ้าไม่หลงก็ไม่หลงโลกอันนี้โลกเกิดโลกแก่โลกเจ็บโลกตายที่นังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ย ผู้อยู่ใกล้คิดนําภัยมาให้ชั่วคนในร่างกายนําไัยมาให้เก็บมันก็นํามาให้แก่มันก็เก็บแก่มันก็นํามาให้ตายมันก็นํามาให้โรคสารพัดมันมาเกิดที่นี้อยู่กับผู้ใกล้คิดนําภัยมาให้ใกล้คิดพยายคิดตราดเหงื่มันก็นําภัยมาให้ตุ้กจ่างมันอยู่ด้วย มันหิวหิวหน้าก็เอาหน้าจ้างมันหิวข้าวก็เอาจ้างเอาข้าวจ้างมันมันปวดแข้งปวดขาเอก็ไปเดินเปลี่ยนอยาบทจ้างมันอยู่ด้วยหิวยาก็เอาบุหรี่มาสูบหิวหมาก็เอามามากินหมากหรือมาเคี้ยวหมาจ้างมันอยู่ ก, ยกับพญาจิตรลักษทั้งอย่างนั้นมันก็ไม่อยู่ ถึงเวลามันก็ไปอย่างผงผายพย า, จ, าจิตราดจิตใจจะวิ่งวอร์ชั่งใดมันก็ไม่อยู่ด้วยแตกสลายเพราะมันเปรียบเหมือนรถเจ้าของรถจะห่องแห็นจะเพียงไรก็ตามมันก็แตกมัก ค, คล่ำคร่าไปแม่ตัวจะพ้องรถก็จะแตกจะสลายไปด้วยอันเดียวกัน ถึงแล้วนี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะพิจารณาทางนั้นถ้าไม่ชนะนั้นแล้วจะมีแต่หลงบวกหลงโลค บ, บวกโรคโกรธบวกโกรธทวีคูณท่องเที่ยวในวัดต้องสานนานถ้าพิจารณาแล้วเบื่อหน่ายคลายเมาแ ล, ล้วกิเลสตัณหาค่อยๆเบาบางไปทีละน้อยละน้อยเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเป็นตัวพรุทธเป็นตัวพระพธรรมเป็นตัวพระสงฆ์อยู่ในตัวเป็นญาโอสถอยู่ในตัว เพราแก้ความเข้าใจผิดของตนเยกวายาโอสนถ้าพยากิดกระดานไม่แก้ตนจะให้ใครมาแก้ตามันก็ไม่แก้หูมันก็ไม่แก้เจหมูกมันก็ไม่แก้ลิ่นมันก็ไม่แก้ตายมันก็ไม่แก้ถ้าใจไม่แก้ใจถ้าใจไม่สอนใจก็ไม่มีอนไดจะสอนใจได้ ถ้าใจไม่ยอมรับจำนวนความหลงของตนก็ไม่มีใครจะมารับจำนวนเ ห, เหตุเกิดเหตุเก่เหตุเจ็บเหตุตายเหตุโรคเหตุปูดเหตุหลงพยาจิตตราช่างขึ้นกายไม่ได้สร้างอะไรอยู่ตามธรรมชาติเเปนนรียบเหมือนรถจะขับถูกทางหรือไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับ จะพยาบาลหรือไม่พยาบาลก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับจะส่งงวดหรือไม่ส่งงวดก็ขึ้นขึ้นอยู่กับผู้ขับทำรถที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับผู้ขับคือกิตใจร่างกายก็เหมือนกันอันเดียวกันรถสองขาคันนี้ลนะ่ะต้งเที่ยว อ, อยู่ในวัดตรสงสารพญาคิตราตมาเที่ยวขับอยู่นะ ขับไปเป็นรถสี่ขาก็มีบางทีบาปมากก็ตายไปเป็นสัตว์สีเท้าขับไปเป็นเทวบุตรเทวดาก็มีหมดอายุไขก็ขลงมาขับไปพม่าโลกก็ไปหมดอายุไขก็ลงมาขับไปในรกก็ไปหมดกรรมในนรกก็ขับขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์ที่รชานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างขับวนทับเวียนอยู่ในทีน่นี้กรรมและผลของกรรม เป็นของสัตวากพระอหันต์จำพวกเดียวจิตัดได้นะใครจะเกี่ยกาดอํานาจชักเพียงในกตามก็อยู่ได้อํานาจกรรมในผลของกรรมถ้ากรรมแในผลของกรรมไม่มีการถือว่าพุทธศาสนาก็เป็นโมฆะผลของกรรมมันมีอยู่จึงยอมนับถือว่าพุทธศาสนา จิตใจทำดีตอนไหนๆตอนนั้นจิตใจก็ได้รับผลดีจิตใจสงไงสงสัยตอนไหนจิตใจตอนนั้นก็สงสัยอีกเหมือนกันเพราะใจเป็นผู้สร้างความสงสัยขึ้นจิตใจขี่ภาตายและวาจาขี้เกียจผลของขี้เกียจก็จิตใจเป็นผู้ลูกก่อนเพื่อนถ้ามันขยันก็จิตใจเป็นผู้ลูกก่อนเพื่อนเพราะมันเป็นผู้ลงทุน ลงทุนไปทางดีมันก็ได้รับผลดีลงทุนไปทางชั่วมก็ได้รับผลชั่วใครเป็นผู้ได้รับก็คือจิตใจอันเดียวไม่มีใครแย่งช้าสร้างมาทางดีก็จิตใจเป็นผู้ ห, หน้าสร้างมาทางชั่วชั่วเขาจิตใจเป็นผู้ ห, หนะไม่มีใครมาอวดดีสร้างแข่งเลย <c oughs> ปฏิบัติตนกับปฏิบัติใจก็อันเดียวกันรักตนในรักใจก็อันเดียวกัน เมตตาตนและเมตตาใจก็อันเดียวกันเวียดเวียนตนและเบียดเบียนใจก็อันเดียวกันผู้ที่มาปฏิบัติพพุทธศาสนาก็คือผู้เบียดเบียนใจเบียดเบียนตนนั่นเองผู้ดูหมิ่นพระพุทธศาสนาก็คือดูหมิ่นใจดูหมิ่นตนนั่นเอง พระพุทธศา ส, าสนาตั้งองค์ที่ใจตั้งองค์ที่โสมตนอัติเหียนัตนโนนาโสตตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจนะเขารบพระพุทธศาสนานะก็คือเขารบใจเขาลบตนนั่นเองปลดพระพุทธศาสนาทิ้งก็คือปล่อยใจ ปล่อยตนนั่นเองทิ้งเป็นคนไม่มีวัดทานวัดก็ไม่มีศีลวัดก็ไม่มีภาวนาวัดก็ไม่มีที่นี่ข่าวไปในรกหรือข่าวไปในทางชั่วก็เป็นข่าวของเราซะทีนี้ถ้าทานวัดศีลวัดภาวนาวัดและปฏิบัติชอบข่าวไปทางดีก็เป็นข่าวเราอีกเหมือนกัน ทำอะไรก็ทำให้ใจทำให้กายไม่ได้ได้ก็ได้ไปพอประทางประทางเท่านั้นหละทำบาบอยู่ที่ไหนก็มาฉลองใจทำบุญอยู่ที่ไหนก็มาฉลองใจทำบาบอยู่ทุกวันก็เรียกว่าทำบาบคู่อายุอยู่ทุกวัน ทำบุญอยู่ทุกวันมีทานวัดศีลวัดภาวนาวัดตามสติกำลังเขาเรียกว่าต่ออายุของบุญอยู่ทุกวันเพราะบาปบุญมีอยู่ที่จิตใจใจเป็นผู้สร้างขึ้นพระพุทธธรรมประสง์ใจก็สร้างขึ้นถ้าใจถือผีผีก็อยู่ในใจไล่ผีก็ต้องไล่ออกจากใจ ไล่ความเกลียดข้างก็ต้องไล่ออกจากใจกไล่ที่อื่นมันไม่พบดอกไล่ความเข้าใจผิดก็ไล่ออกจากใจนิสมะก็นางซอโยไข้ ค, ควรเสียก่อนแล้วจึงทำเชื่เลยดีกว่าคนตายไข้ ค, ควรไม่เป็นก็คนมีชีวิตยอยู่มีวิญญาณอยู่จึงจะไขก่อนเป็น เห็นชอบก็ใจเป็นผู้เห็นชอบเห็นผิดก็ใจเป็นผู้เห็นผิดไม่มีใครมารับรองถ้าใจไม่เป็นที่พึ่งของใจจะให้อันอื่นมาเป็นที่พึ่งของใจก็เป็นไม่ได้ ถ้าใจไม่เบียดเบียนใจสิ่งอื่นก็เบียดเบียนใจไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นมันก็เบียดเบียนไม่ได้สร้างบุญไว้ที่ใจสร้างแล้วอยู่ที่ใจไม่นในหนักไปไหนก็ไม่ในหาบเลหิวแต่สร้างบาปมันหนักหนักเพราเห็ุใดเพราะคิดถึงการที่เราทำไมดีมาก็เดือดร้อนอนั้นแหละมันหนัก นั่นแหละนรกลกคิดลกใจเดือดท่าให้เดือดร้อนเมื่อนรกในปัจจุบันมีนรกในอนาคตก็ต้องมีเมื่อวันวานนี่มีวันนี้ก็ต้องมีวันพรุ่งนี้ก็ต้องมีแล้วไม่ได้เกิดแต่วันนี้แล้วเกิดมาหลายปีแล้วมันก็เกิดอยู่ทุกวันเมื่อมันยังไม่ตายและมันก็ตายอยู่ทุกวันอีกเหนกัน ตายจากข้าวสายใบเที่ยงแต่ไม่ยอมให้ตายจากนีจากจินจากธรรมปฏิบัติอยู่ทุกเมือ่อเวลาจะล่วงไปสักเท่าไรก็ตามจิตใจไม่ยอมให้ล่วงไปจากจินจากธรรมเลยจะดูตามจริงด้วยปฏิบัติตามจริงด้วยรุดพ้นดับความสงสัยตามจริงด้วยจะทำที่พึ่งของตนให้กเกษม จึงจะไม่เสียดายในภายหลังจึงจะไม่ได้เดือดร้อนในภายหลังอุบาสกอุบาสิกาทีคือสมณะเมื่อเธอทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่เธอทั้งหลายจงรีบปฏิภาบภาธรรมเถิดตามสติกำลังของกวกเธอเดี๋ยวพวกเธอจะเสียใจในภายหลังนะเราทำแทนพวกท่านไม่ได้เราเป็นเพียงบอกพวกท่านทั้งหลายเท่านั้นเพราท่านทั้งหลายไม่ทำเราจะทำแทนก็ไม่ได้หิ้วนอนก็ต้องนอนเอง หิ้วข้าวก็ต้องทานเองหิ้วน้ำก็ต้องดื่มเองเราเป็นเพียงที่บอกเท่านั้นถ้าฝืนคำบอกของเราแล้วเราก็หมดหนทางสัมปรามาสส า, ลาแล้ะไม่หวังเอาเสียงกับพวกเธอดอกและเมตตาพวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายไป่ได้มาล่างกระฐนให้เราเลยเราล่างเองพระอานนท์ล่างเอง ทำไมเราถึงเมตตาพวกเธอทั้งหลายแท้พวกเธอจะลงมือปฏิบัติตามคำสั่งและคําสอนของเราแตถ้าคุ่ตามสติกําลังจะไม่ได้หรอกหรือถ้ามาได้ก็เป็นกรรมของพวกเธอเมตตามีเท่าใดระวางลงว่าให้โลกแล้วก็รุณาความสงสารที่จะช่วยคนทุกข์มีเท่าใดเราก็วางหมดแล้วไม่ใช่เราเอารีเอารับไว้ตอนไหนทําถูกมุติตาความพอเย็นดีแล้วก็พอย็นดีแล้ว สิ่งไหนที่เหลือไว้ใส่โอเบคขาเราก็ได้อุเบกขาใช่สิ่งที่เราจะทุ่มเทให้แก่พระท่านทั้งหลายนั่นมันหมดแล้วไม่มีสิ่งที่ได้รับและเราก็จะไม่ตีเตียนเราด้วยเออตอนนั้นเราก็ยังมาทันได้ ส, สังสอนทิศสุอุบาสกอุบาสิกาและเทวบุตรเทวดามารพรมเมืม่อเราไปแล้ว เราก็จะได้เพ่งโทษเราอันนี้เราไม่ได้เพ่งโทษเราเลยเราให้หมดแล้วเราจะลาท่านพวกท่านไปละคำสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสดาแทนพวกท่านทั้งหลายอยู่ทุกยุคทุ ก, ทกสมัยพระพุทธเจ้าองค์อื่นมาเทศก็เทศอันเดียวกันนั่นแหละเมื่อดดมาแข่งแยงกันดอกไม่ได้มาอวดดีกันดอกเธอทั้งหลายเรื่อมใสในศาสนาของ พระโคดมก็ถกับมาเลืเ่อมสายในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์อืนอ่นๆเขามีคำสอนอันเดียวกันไม่ได้แตกกันเลยมีรสชาติอันเดียวกันคล้ายๆกับรสเกลือเค็มก็เค็มเสมอกันหมดเผ็ดก็เผ็ดเสมอเหมือนกันหมดไม่มีอันอื่นเป็นเพียงพระพุทธเจ้ามาเป็นล็อกๆเท่านั้นมาเป็นช่างเป็นข่าวเท่านั้นแต่เป็นคำสอนอันเดียวกัน แม้เหมือนก้อนไมก้ก้หมูกดอนพักก้พวกที่พวกกิเลสแต่งขึ้นเดี๋ยวบกพ้องอันนั้นเดี๋ยวบกพร่องอันนี้อันนี้ไม่มีสิ่งที่ปกพร่องเลยเหตุเช่นนั้นพวกเราจึงได้กราบไหว้ทั้น์ทางสะพยันชนะเจวราภริคุณังบริสุทธิ์ทางพรมจริยังประกาศเสสิบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัถฐพยันชนะแล้วตามมหังพระกวันทังอภิปูชยามีตามหางพระกวันดังศีรสารนมามาวิ จึงได้ยอมกราบยอมไหว้าำหั่งทำมังเหมือนกันทำหั่งสังฆังเหมือนกันเห็นเฉะนั้นจึงยืนยันว่ายังยินจีรัตนังโลเกวิชิติวิธังุทโทรัตนังพุทธะมังนัตติตัสมาโสทิพยานตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขารัตนะเป็นไม่มีเลย สังก em, at, <me et> <me et> ัตตัวอภุษารัตนงูจะทั้งอุตมังวัลังหิต่างเพลิมุนษาหนังพุทธเจเสนาสวดทีนานั่นทัุ้กัวาสเพยทุกขาพอดีสะเพยพยาพอดีสะเพโรคาพอดียาโอสถอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนยาโอสถคาสอนของพุทธเจ้าเป็นมันมีเลยพราะสอนคนง่ให้เป็นคนฉลาดจนถึงที่สุดทุกโดยชอบคือพระรหันย์โยกยาโอสดทั้งนั้น ในขณนเราจึงดินยันว่านัทที่เมทนานนางอางนันยังชนะอื่นของเราไม่มีพุทธโธเมธนันนางอนของเราพระเจ้าเป็นพชนะอันอประเสริฐของข้าพรเจ้าเอเตนะสัจวัตเคนะด้วยกล่าวคำสัตย์นี้โสนที่เมฆโฮตุสะพนาขอความสวัส ด, ดีจงมีแก่พวกเราทั้งหลายพอเราก็จึงยอมปฏิญญาถ้าอย่างนั้นพอเราก็ไม่ยอมปฏิญญาแล้ว การถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสาระเป็นวิชาไปสวรรค์แหล่วิชาไปพรมโลกมายากพุทธลมาาศาสนาวิชาไปพรมโลกของพวกท่านทั้งหลายยืนนอนขวากนอนน้ำลําบากมากวิชาไปสวรรค์ของพวกท่านทั้งหลายก็ยืนนอนขวากนอนน้ำลําบากมากท่านบอกท่านอวดดีไม่ใช่อวดชั่วอวดดีใส่พวกศาสนาอื่น วิชาพมาโลกของศาสนาพุทธมายายอมตัวถึงพระพุทธธรรมผสงไม่ถือพูดผีปีศาจก็เป็นวิชาไปพมโลกก็เป็นวิชาไปสวรรค์เขาออกกายถวายชีวิตต่อพุธทธธรรมผสมอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณไม่ถือพูดผีปีศาจด้วยไม่ถือเหลือดียามดีด้วยไม่ถือพรามมาปนเลยไม่ถือเหลือดียามดีไม่ถือฝ่ายผูกแขน ผูกคิดผูกใจให้ถึงว่าพูดพรมประสงค์ไม่ถือนามนภายนอกมนจิตมนใจให้ถึงว่าพูดพอทำพอส่งผู้นั้นละถึงตายช น, นาคมคมแล้วคมจนไม่มีสิ่งที่ ส, สงสัยไปถือศาสตาอื่นเรียกว่าตายช น, นาคมจะตายในวันไหนก็ไปสุคติผู้นั้น ผู้นั้นภนาพุทโธพุทโธอยู่มันมันาคือผู้นั้นก็คือพระโสดาบันแล้วคือสุปฏิปันโนแล้วมันเอ่ยไปทางที่ิศมันออกแล้วลมจะมาพัดหรือใครจะมาโค่นก็ตามมันก็ต้องลมลงทางนี้พุทธิถึงพระพุทธธรรมผสมเหมือนกันเขาจะตายในเวลาไหนก็ตามมันไปทางถูกมันเอ่ยไปทางถูกแล้วมันก็ไปสุขติ พูอ ถ, ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์มีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์และพร ม, มโลกผู้ที่นอกไปจากนี่แล้วมีคติเป็นสองเหมือนกันไม่สัิจีระานก็เปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกนั่นโขนของพระบรมศาสดาท่าได้ถูกทุกยุคทุ ก, ทกสมัยเลยไม่จำเป็นจะหาไม่มาหักอย่างนี้มือนพวกเราหักอย่างนี้อย่างนี่จบแมรรคอ่ะ โหดพุทธศัพทสนาถายไว้แห่งเดียวเท่านั้นท่านทั้งหลายเล่นอวายามุกท่านทั้งหลายจะชิบหายนะทรัพย์สมบัติของท่านทั้งหลายถายไว้ครั้งเดียวเท่านั้นถูกอยู่ทุกยุคทุ ก, ทกสมัยเลยชิบหายเลยถ้าท่านผู้ใด ย, ยังถือว่าอวายามุกเป็นทางการลิน มันก็เพื่อเครื่องทดสอบว่าชั้นพวกนั้นยังไม่ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์ในชั้นอุบาสกอุบาสิกาเท่ถ้าเป็นพิพุธะมะเรก็ไม่รู้จักพุทธคุณธรรมคุณชั้นกุณถ้าเป็นฆร า, าวาสก็ยังไม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเท่ยังจักขบฏตนเองอยู่เรียกว่าเห็นไม่ชอบเห็นฟิสอยู่ตามัวอยู่สวนเข็มยังไม่ได้ ผู้ที่เขาไม่เล่นลําบาลายามุกไม่ใช่ว่าเขากดขี่ข่มเหงเขาเขาไม่ได้กดลาบากเลยเขาถือว่ามันเป็นทางชิพหายนะเขาไม่ได้เข้าใจว่าเป็นทางเจริญเขารู้ชัดถ้าว่าเขาสงสัยว่าเป็นทางเจริญอยู่เขาเรียกว่าเขายังไม่ถึงพระพุพะทธธรรมประสงค์มันมีเครื่องทดสอบเหมือนกันถือแต่ปาก แก้วจ้าขากินข้ากับกล้วยไม่รู้รู้จักรถทาเหมอือนช่อนไม่รู้จักพถแกงตักวันยังขํามันก็ไม่รู้จักรีดมันรู้จักเอามาใส่นิดเดียวมันก็รู้น่น <c oughs> แก้วจ้าขากินข้ากับกล้วยกินอยู่ก็ไม่รู้จักกล้วย <c oughs> เคยหูวก็ฮัดปากว่าไปอย่างนั้นภาษาของมันเราฟังรู้ก็ไม่รู้ว่ามันพูดทำไม แล้วได้ยินมันพูดภาษาคนได้ก็เป็นที่ชอบใจเพราะแกเป็นการประหลาดที่นกพูดเป็นภาษาคนเท่านั้นนรจะใช้ให้ขา้ามหนังสือบินไปให้เรามันก็ไม่รู้จักให้เฝ้าบ้านมันก็ข่มขโมยไม่ได้ยิ่งเป็นนกอยู่บ้านแล้วยิ่งขี้ขาดกว่านกกลางป่า ปล่อยออกจากกงเขาไม่กล้าไปเพราะคิดขาดท่านี้ลืมนิสัยเดิมของตนแล้วเคยหูก็หัดปากไม่ยินเสียงเราไอเราจามมาันก็ไอด้วยอย่างนี้แต่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้ความหมายนี่ย <laughs> แต่ผู้หวองคนทุกข์ในวัตจรสงสารที่นี่ถ้าถือเวลาน้อย เราก็ต้องไปทางลัดทีนี้พิจารณาทุกข้อมกับลมหให้แกเข้าออกพิจารณาอนิจจังพุ้อมกลมหให้แกเข้าออกนั่นละพุทโธนั่นละธรรมโมนั่นละสังโฆนั่นละสีโลนั่นละสมาธินั่นละปัญญานั่นละนิพพิทเวลาคะวมิมุติสุทีเนผ่านหนทางเส้นนั้นละ ออถ้าผู้ยังปาถนาในภพน้อยและภพใหญ่อยู่มันก็จําเป็นถ้าผู้อ่อนพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติในจุบวันใจิตปัจจุบันบนธรรมไม่อยากมาเกิดแก่เก็บตายอีกว่พิจารณาอานิจจังพ่อลมหายใจเขาออกพิจ า, ารณาทุกขังพ่อลมหายใจเขาออกพิจารณาอนัตตาพ่อลมหายใจเขาออกพิจารณาเป็นแต่สักวะรูปเป็นแต่สักวะเห็นพ่อลมหายใจเขาออก เพอจะถอนอุปทานไปในตัวเพราอจะสอนวิญญาณปฏิสนตติมาให้ประกำหนัดอยู่ในที่ใดทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคต ด, ด้วยทั้งปัจจุบันด้วยผู้หวังเกิดแก่เก็บตายอยู่ก็ต้องติดอยู่ในสมาธิบ้างก็ต้องติดอยู่ในผลฐานพ้นสินล้นภาวนาของตนเล็เกๆน้อยๆบ้างผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารอย่างเต็มที่แต่เขาไม่ติดอยู่ละทีนี่เพราะเขาไม่สงสัยโลก พวกที่ยังสงสัยโลกว่าจะเป็นอื่นจะมีสุขอยู่ในโลกนี้บ้างก็จำเป็นต้องภาวนาไปเรื่องอื่นถึงดึงมันก็ไม่ไปเพราะกรรมมันติดอยู่ที่นั่นเชือกมันผูกอยู่ที่นั่นมันแกะยังไม่ได้คลายยังไม่ออกกรรมนกรรมบันดาลกรรมนิยมพอให้ยินดีในเกิดในแก่ในเก็บ ใ, ใ, ใ, ใ, ในตายมันก็ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏจทกรสวรนเอี ถ้าเขียนว่าโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันมันเต็มไปด้วยภัยแล้วทีนี้ความประสงค์ของมันในโลกมันก็ไม่มีมากมันก็น้อยลงแล้วปัญหาก็ไม่มีมากเมื่อได้น้อยมันก็ไม่ติดอยู่เมื่อได้มากมันก็ไม่ลืมตัวเพราะมันถือว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งปวงอยู่ใต้อำนาจอนิจจังไปเสีแล้วเพราะมันเห็นอนิจจังชัดเมื่อมันเห็นอนิจจังชัดมันก็เห็นโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันชัด เมื่อมันเห็นทุกชัดมันก็เห็นโลกอดีตโลกปัจจุบันโลกอนาคตชัดเหมือนกันมันไม่จำเป็นจะห่อเหินเดินอากาศไปดูมันเห็นทางปัญญาของมันไม่ใช่สมาธิหัวต่อตายคาสมาธิหัวต่อเข้าไปพร ม, มโลกหมดอายุไขแล้วก็ลงมาอีก มดแดงเฝ้มามะม่วงแล้วเจ้าของเขาเอามาไปกินซะมดแดงคืออะไรคือพญายกิตตลาผลมะม่วงคืออะไรคือกายเจ้าของเขาเอามากินคือใครคือความตาย มารมันมีอยู่ที่ไหนกิเลสมารก็มีอยู่ที่ใจบ้านเมืองของกิเลสมารมันอยู่ที่ไหนขันธมารมานคือปัญจะขันกิเลสมารมานคือกิเลสอภิสังขารมารมันคืออภิสังขารมัจจุมารมานคือธมะคือมรณะเทอะพุตมารมานคือเทวบุตรมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เมืองใจของเรานีเองไล่ก็ไล่ออกจากที่เมืองใจนี่งขันธมารมานคือปัญจะขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เปนมารแค่นิดหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยกาแฟปว น, นแล้แตกสลายเหมือนหัวฝีถ้าเราเข้าใจผิดว่าจีรังยั่งยืนก็เรียกว่าเป็นมารมารมารเจ้าของเป็นโจรเป็นมารใครเจ้าของเรื่องโจรเรื่องมาไม่จัดจะกัดเจ้าของเรื่องความเข้าใจผิดไม่กัดเจ้าของเรื่องงูเห่าว่ากัดเจ้าของ จะพึทงพรมจันเพื่อหวังเป็นเทวพระเจ้าก็ประกอบเป็นมารไม่สามารถจะสําเร็จมรรคผลนิพพานในปัจจุบันในชาติได้อย่างสูงก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเมดอ อ, อายุไขก็ลงมาอีกเรียกว่าเทวุตตมารมัดจุมามารคือมรณนะเออถ้ายังไม่ตายก็จะสําเร็จมรรคผลนิพพานแต่ความตายมาตายก่อนซะ กิเลสมารมา ร, มารคือกิเลสราคาก็เป็นเจ้าเรือนโทสะก็มาเป็นเจ้าหัวใจโมหะก็เป็นเจ้าหัวใจเรียกว่ากิเลสมานมานคือกิเลสชนะกิมิเตสมารแล้วก็ชนะมานทั้งปวงถ้าหัวใจมีธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องอยู่แล้วมานทั้งหลายก็ไม่กล้านอนสนิทในหัวใจ ถ้าไม่มีคุณพระพุทธพระธรรมไม่มีพระพุทธพระธรรมผส์เป็นอาหารหัวใจแล้วมานก็สนุกอยู่อยู่ในหัวใจตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่รอบใจเพราะไม่มีใครลบมันธรรมะของพระพุทธเจ้าท่า น, นจะเข้าไปลบมันจะรับตาให้มัน ช, ชนะมืดมันไม่ชนะต้องลืมตาขึ้นมันจึงชนะมืด จะเอาโง่ชนะโง่มันก็ไม่ชนะก็ต้องเอาฉลาดมาชนะมันตายคาภาวนายังดีกว่าตายคานึกถึงสิ่งของเวลาเราจะตายแล้วนึกถึงสิ่งของอันใดใจขาดด้วยก็ไปเป็ น, เ ป, นเป็นเขียดตะปาดบ้าง อยู่ตามรู้อยู่ตามไร่ตามนาถ้าเรานึกถึงหลานคนนั้นคนนีนนน้แล้วก็ใจขาดคาที่นั่นแรักไปเกิดเป็นเป็ด เ, เป็นไก่เขาหรือเป็นหลานเขาเวลาจะตายสำคัญอาสัรรมก็เมื่อจนเกียนเวลาใกล้จะตายเห็นแสงไฟ ปรากฏเห็นแสงไฟมายังไม่พึกไปทางอื่นแต่ก็เลยตายในคณะนั่นก็ไปเกิดในนรกถ้าเวลาใกล้จะตายปรากฏเห็นท่าน้ำหรือป่าไม้แล้วก็สิ้นลมปาณในเวลานั้นยังไม่พึกไปทางอื่นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ราน เวลาใกล้จะตายปรากฏมืดมนอนทากาลมองมาเห็นอะไรเลยพอใกล้กับกลางคืนสิ้นลมปานในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเปรตเวลาใกล้จะตายไปปรากฏเห็นวิมานไปปรากฏเห็นเทวบุรเทวดาแล้วก็สิ้นลมปานในขณะนั้นขณะนั้นก็ไปเป็นเทวบุรเทวดาเป็นอินเป็นพรมอยู่ในสวงสวรรค์หรือพร ม, มโลก เวลาใกล้จะตายปรากฏเห็นคันมารดาก็ไปถือถือปฏิสนธิเกิอดอีกในคันส่วนพระรหันต์มานจะเป็นอย่างนั้นเวลาใกล้จะตายก็มาเห็นกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลมลมหายใจเขาออกเป็นต้นหรือกระดูกท่านใดท่านหนึ่งเป็นต้นหรือผมขนและฟันอะไรอันหนึ่งเป็นต้น หรือถ้าห น, น้ําอันใดอันหนึ่งในสกลร่างกายเป็นต้นมีดีเสศษเลือดเงินมลคตเจอเปลือมันน้ำลายน้ามูกไข้คอมูดหรือน้ำมูดหรืออันใดอันหนึ่งเป็นต้นต่อจากนั้นแล้วท่านก็พลิกกิตไม่ได้ติดอยู่ในผู้รูกทั้งหลายทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไปจ้าหาธรรอันไม่ตาย ถ้าเราไม่ฮัดไว้ที่นี่ก็จะตายมาพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวดูพุโทโธพุทโธดูพุโทโธพุโทพโธยังไงเมื่อยังมีชีวิตอยู่มันก็ยังไม่ภาวนาเดี๋ยวจะเก็บอันนั้นปวดอันนี้ลองคางไปสารพัดเราไม่หัดไว้เดี๋ยวนี้ไม่ได้จำเป็นต้องหัดไวน้นีถ้าตายคาภาวนาพุโทโธถึงจะมีเกิดแก่เจ็บตายอีกก็ตามแล้วก็ไปสุขตินานอย่างนั้นกัน เขาจะไม่ทําบุญอุทิศหาก็ตามถ้าเราตายไปตกนรกเขาจะทําบุญอุทิศหาหมดเงินต่างล้านตัางโกดก็ตามอันนี้ส่งอันนั้นก็ไม่ไปถึงเราน่ะเพราะเราไปตกนรกแล้วคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าเราไม่ทอดมากเขาห้ามเยี่ยมเขาห้ามส่งของส่งมาถึง เขาห้ามเยี่ยมแล้วพอโทษมากถ้าเราไปประสัตจิตอาสารที่นี่เราก็ไม่ได้รับอีกเพราะธรรมเนียมของพระสัตจิตอานาั้นถ้าเป็นโคก็ไปกินหญ้าใช่ไถ้าเป็นเสือมันก็ไปกินเนื้อดิบๆใช่นี่ถ้าเป็นงูมันก็ไปกินเียด่อดิบๆที่นี่ก็ไม่สามารถจะส่งถึงไดู้้ที่จะส่งถึงในเวลาเราตายได้น่ะมีเพจจำพวกเดียว ภูตาวาซัมภเวศีวามีเฉพาะพวกเดียวพวกพวกนี้จออกมาจากนรกมีโทษเบาแล้วคอยคอยแสวงหาที่เกิดด้วยสแสวงหารับอนิสงค์จากญาติมิตรที่ทําให้ด้วยมิเปรตเฉพวกเดียวนอกจากนั้นประเดีมาได้รับที่เราทําบุญกันในทุกวันนี้่ล้วทําบุญอะไรเพื่อปิดปากคนไม่ให้เหาให้หอนเฉยๆแต่ว่าได้หรือไม่ได้ไม่ทราบ <c oughs> <c oughs> ทำสมเด็บางทีพระผู้มารับนั่นเป็นพระทูตสินมันก็ไม่สามารถจะไปถึงพวกเปรตซ้ำพเวรสีได้ค่ข้ากับเราฝากของไปกับคิดโก้คิดเกเนี่ยมันเอากินไปเอาไปกินหมดซะมันไม่ถึงหรอกอถ้าของเราไม่บริสุทธิ์ทีนี้เราหามาในทางที่มันบริสุทธิ์เราไปอุทิศให้แก่ เปดตะวิสัยอสุรกายภูตวามธัธพเรศีวาของญาติของเรามันก็ไม่สามารถถึงเหมือนกันเพราะของไม่บริสุทธิ์มันเป็นของยากอยู่คนชีงง้ง้อเเจ็บเงินมาให้คนอื่นเขาทำบุญให้โตให้ตัวในเวลาตายคนชีงง้ง้อมีอะไรเราทำเชียตายไปแล้วใครม่ทำมันสีคลือนนี่ว่าผู้มันีคือ ไปเรียงพุตานพนี่กินกินกันห้าหวานไม่เป็นแบบนั้นไปพุตาค <c oughs> ันจูสมุดกินกินมห้ามนพอถงเลผูุตาจกโยไแล้วนั่งกินนึกเกยวถุยนกเกาอยู่เลยเข้ากินกินจังมัดพุตามนพิพีบ่าเขาเอาขี้แกบไปกินมันก็กิน ัพามาหน้าไวสันตัวบตสิตายมาจังสิมาัตบัตสิได้บ่น่หะบสงครามมุมบ้ามุมบ้ า, บาขเขามาพอแห้งจังสิมาฮัยิงปืนมันกับพรทันเขาแล้วบอกสังโดว่าไฟไหม้เฮือนพระแห้งจังิมาัวิชาหมดมกพทนเนอ่เวลามันไม่หน่อยนึง ขัดไว้พ่อวานานี่ยเนอะเพราะว่าพ่อวนนายังหนีจะอยู่บีไม่แห้มันก็บอกา่วานาเล้คือเห็นเท่าหนึ่งบ่ยี่แม่มีแม่เถาว่าท่นเจ้าเนียมาดึงจุงว่าพูดทั้งหนาทั้งทงหลังแทะท่นโอ้ยกระจุงตัวอีพะเทาไปใครท่าน ไปจำสิบจำห้าจิม้มนันใชบว่ <laughs> าท่านจำห้าิ้เพิ่มเมโหเมยังขนานั้นเหเรายากดิวานักลงก็นันเลยแมมล่ะ <laughs> แต่ว่าหาบอเอ า, าออกซิมันผ ส, ม, สมนี่เละผิกออกเสื่อ <laughs> ข่ <laughs> ขอะครับนี่ครับนั่นก็ซบกวนยู่น้อ <laughs> บลงนักก็นั่นเลยไหม <laughs> เจ็บแค่ก้นแคกอยพูดเลยเมีจำินจำขี่พุดเลยเมียเนี่ยวัี้ว่าวันนว่าวเทีอยันน้านนี้วาเที่เนี่ยเดีวเมียพู้ยังสั่นก็มีว่าโอ้ยปรโตูเดี๋ยวเาเอาแล้วเมียพููยังสันฟ้ารลอ่ะเขาเ็พื่นยังเอากันอยู่มันกำนอ ท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเมื่อมั น, ม, นมันของธรรมดามันเป็นทุกตัวเมือ่ออื่นนี่สิไปยังว่าสันตาไปใช่เลยยักษท่านจไปหรือบไม่ได้ไดนี่บางที่สมประสงค์บ้างบางทีก็ไม่สมประสงค์บ้างพรุ่งนี้จะไปอะไรพรุ่งนี้จะไปอันนั้นอันนี้แล้วก็คาดคณีไว้เฉยๆนี่บางทีก็สมประสงค์เมบางทีก็ไม่สมประสงค์บางทีก็ตายออื ค้นเหยื่ส่วนมากนี่ทหมุญทำท่านยังไงมิจะปรารถนาว่าคนตายไปแล้วก็อเอาจะเป็นคืนแม่บอกเสื้อหนาดิกะเพราะมันหนามเพราะว่าดอกบัว <c oughs> ดอกบัวมันมันอยู่ใต้น้ำดอกบัวมันอยู่เสมอน้ำเพราะฮันแม่นดอกบัวตุมูมมันก็ไปตามแถ้ห้องพายเอามั่นล ะ, ละคือแม่งพูดแมงเพิงไนละ่ะ มันก็ว่าของทิบมันหรือังว่าเขียวมันก็ว่าของทิบมันคือกันถือว่าจะไหนชนะเหมันกัว่าประชาธิปไตยมัคือการละนะมันก็ว่าสังคมนี้มมันอมันสั่นห้องพายหองมัน ขึ้ขันยังก็ตัเน้อผู้ายยดียนีแน่เด้อให้รับไปด้วยอบหมานผันวะยิดไม่ไดทนนั่นนงยึดม่ทนนั่หมันกับหมันแก่มันเจ็บมันจ่ายเนี่หมันเน่นอุศรยอวันแล้วบบปัตถนามากับหมันอยู่นี้หีว่าจย่งไรไมิต่แก่เจ็บต่ พระเจ้าเพชรดินก็ได้เป็นอะไรเดียวนี่ตายแล้วพายุดินนะน่ะพระเจ้าเพชรฝ่าก็ตายแล้วเหีืยวงฝ่าอก็เป็นน่เสมออยนี้ยงฝ่าพระเจ้าแพไฟก็เป็นเดียวนี้อาศัยไฟต้มน้ำพอนี่นี่เป็นหอดพระเจ้าเพชวนุ่นละเมสูบยากวนออกทวนๆนั่นพระเจ้าแพล้มหายใจเขาออกนู่นนี่พระเจ้าเพน้ำกินน้ำนี่เสมอนี้ บ้านนี้ก็พระเจ้าแผ่นดยู่กองฟ้อนนั่นตัวบานนี่ทำมาทำมาทำมาตัวผู้ยังกินนนาอารมณัดไฟกันมังอมจะตัวผู้ย่างตายรับกันอีกตัวบนตายวงละฝ่ายนั่นงฝ่ายผู้ยงกินอีกหือนู้่ากินมึงมึงจีบกูไม่ไฝเป็นไงให้ได้โรกอันนี้มวันมากินแม้วันกับจตายเท่กันนอนมากินเท่านอนก็สิีบตายเท่กัน แม่วัดมากิน ห, ห ม, มูเห่ามาต่อหมูเห่าแม่วัดก็จะตายขึ้นกันน้อนมาจ่อตาจ่อหูจ่อริ้นเ ห, ห, ห่าถ้ามวิ่ผู้ฟังผู้เผากันนอนกินแล้วน้อนก็จะตายคือกันนารนั่นใครผลตายไปได้ในโลกอันนี้นทุกหลายเติอบอยุ่งซึ่งผมทุกน้ำพอนำกน้ำขั้วกรบเพแห้งแล้วทุก น, ำน้ำเด็กหน่อยนักเลี้ยงเป็นไห้เห็นเขาเสือขาเห็นเข้าบวบะมี่ อาหารคำว่งาง อ, อย่างนี้โอ้ยนี่มันเป็นทุกข์ลายผู้คนเงพ้นเข่าก็เมื่อนกบุตริกินล้วของตัวเองที่เอาไปชื่อให้เขากินเอบ่บัวฟาติพ่อบัวฟาติพ่พตัวผืนบุตริกิน <c oughs> พระพุทธเจ้ามันทุกข์มันผิดอีย่างบรสัณฑ์พืชออกพิดบ่ซ่าที่พิทุขามันพิดบ่เรามีความแก่เป็นธรมรมดา เรามีความเก็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาแจะว่าธรรมดาที่สังมุเรามีความแก่เป็นธรรมดาทุกเรามีความเก็บเป็นธรรมดาทุกเรามีความตายเป็นธรรมดาทุกเรามีความมีโยกพัดภากจากของรักของข้าใจเป็นธรรมดาทุกขของแม่นบอกขงศรีเราบ่มน้ำาธรรมดาจะาธรรมดาทุกธรรมดาซุปบุหรี่พลาหันพลาหันไม่ธรรมดาซุปเลยค่ะ าระเสด็จวันสักาะข้ามีหนาขามีธรรมดาสิสุกเก่าหนาไปฮะสุภนิพพานได้ตัมกนั่ลงมาเป็นธรรมด า, วาเวียนอย่ในทุกข์หมดนี่อมสนอร่เห็นทุกเต็มท้นพอแห้งนะแล้วถว่ายินดีในทุกอย่างใดเห็นทุกเป็นยาวิเศษตัวเป็นอุปสรรคอุปสรรคป็นญาวิศวเศษ พระพุทธเจ้า่าเห็นความแก่ความเก็บความตายว่เห็นทุกพระพุทธเจ้าสิลาบยังไงเมื่อเห็นทุกเราจะหาทางออกทุกขันตัวหันถ้าออกทุกตัวทรัพยินบมีสกาเชิดุงทะเนนะว่าบุคคลชิ ม, มาชัยสอนความตาเยเดีวยเวดดวยมดดวยทรัพย์กรบมีอัตมาหานี้ปัโตโพสุธรรันตมโนภูทธรรมสังเกกจตโร สัทวังนิเวศยยิงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พึ่งเถิดบุคคลผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วตัวนั้นละโลกนี่แล้วอย่างต่ข้าไปบรรเทิงในสวรรค์ผู้ที่เจ้าบอกเลยในสวรรค์นังบวชจูใจว่าสันผูเขาส้งบาลาี่สูงเขาไปพระนิพพานหมดแล้วเขนองไปพระนิพพานพอมันบวชจูใจเขาได้มันสิเดีวิบัต 8, ิแผ่นในสวรรค์พู้ที่จังสันมาเป็นจังสันเขาสารรังบาลี่า ร้าสร้ายภพแล้วมันบ่กห้องเขาแล้วอ่อนเหรอห้องไปยังยินดีในมนุษย์ในสวรรค์สมบัติมุทสมบัสวรรค์สมบัติอยู่เพาห้องสางบาลมีโบมห้อนแก่กาันนีปัญญาของเราย er um <mas land and skin>. ังอ่อนมันเหรอแตบาลมีี่มันใช้ทเห็ุใสแก่กาวันม่เาหัวที่ปเหตของเก่ามันปล่อยให้มันแก่กาวตีโมองขึ้นจังบอกม่วงนี่บอกแต่ไม่เท่าตัวที่เป็นเหมันแก่กามีมันพวกเขามีพวกเขามีดพวเขาว่าฉัน พ่อจะไปจมยี่หันบอกแกมาทีเห <"How far S 2> ินฝนหนึ refugee, to to ่งตัวเมือนมัเท่าหนึ่งเสื้อเต็มง้อมอสหม้ออะไรเสื้อถึงก็หมอเหล็กหมอพ้าอลไรแก้าสียจะเป็นเศรษฐีไปสั่นถ้ามาสานเพระเห็นงานนี้ยังจำได้เลยคอเขากินนอนจะเป็นเศรษฐีอยู่เศรษฐีอเไ็นะไ่รู้เศรษีไ เด็กขอเขากินนแล้วอกินเสร็จสิก็ขอบมันตะเิดเด็เขากินทุกอย่างยากกันแล้วเขาอาหาทุุอย่างยากกันให้ฟืดๆสบายใจเลยให้ฟืดๆเนี่ยเขาหก็ได้หาทั้งกมทั้งวานว่าเป็นโลกอันนี้ว่าไม่ท้องไผดอกเขาเที่ยวมาเกิดหลายพหาชาติและ ยืนั่งอย่ในมูลนี้มันกระดูกของหมูฮั me, ่นองวัดน่ะบะมีศาสตร์นึ่งกษัตร์หนึ่งน่ะบะมันาสตร์เป็นชัติที่ชานกสัตร์เป็นมนุษย์เหยียบจมูกน่ะมิตรพี่ประสาวมูฮั่นวดน่ะพระพุทธเจ้ารับรองมาแล้วเหลือบางนามบางตากันหนึ่งผู้นี้เพ่เคยเป็นพี่ผู้นี้เิ่งเคยเป็นน้องผู้นี้เพ่เคยเป็นป้าเป็นลุงเป็นน้องสาวเป็นน้องเคยเป็นมิตรเป็นสียหายเป็นพ่อเป็นแม่ ทนทั้งรายก็าขงูกคนในโลกนี่มันบูมีอม่อะรบมบ์าสตนึงศาสตนึงพวกองเจ้าคนวเราเก็บว่าปวดบนนี้จะนำตาเาองประทานทั้งร้าย น, นั่นนั่นนานึงสิได้ออกัเยยยก็บไว้สักกลับหนึ่งโซเซนมาพูดไเจ้ากลับหนึ่งหลายก็มหาสมุติสีมหาสมุทนี่เก็บไว้ศายสตร์ระยศระยศขันพระใหญมันหายไปกระดู ก, กเก็บไว้ ชาติเราชอแม่มือนี่ยังไงก็พูดเขาสิเนโลล่ราหลาบกันแต่ละคนละคน <c oughs> นั่น <c oughs> ขั้นสอนองพุตรจักรมันมันเป็นคำสอนมันอุปมาคือนำมันกะแล้วบักมีมันตีบมือแล้วเอาอน้ำมันกาดมาหลาบ <c oughs> <c oughs> โอ้นว่า เป็นถ um so so ้ามันรบล่างซัดออกจากวัฏสงสารในคำสอนพระเจ้าต่ระบุระบาดควบรวยควบจนมันเป็นน้ำบุญน้ำธาีุเออเป็นเยอะเป็นเยอะเป็นนํากุศลท้นบุญเยอะเป็นน้เยอะคนตายง่ายเป็นน้ำกุศล้นบุญเกษตรกรเดือดเ่ยนดซัดคนผู้มีโลกหลายก็เป็นน้ำกุศลพ้นบุญเต่สรกรเดือเดือดซั คนขีทุกขี่ยากเค่สมพ่ออะไรกับอะไรก็เป็นด้วยกุศลทุนบุญได้สากลมาสอบหายท่านนั่นเพิน่นส ม, ม, ม, มุทเจานออยหมดแล้วไม่ไีทา้งสีส่ยงหรอกคนผู้เกิดมากมีอายุมันยืนมากเพราะเเคยได้เรียนทัดไดสากลขึ้นหลวงปูแวนเก็บสิร้อยปีละผู้ขี่หายตายง่ายดเรียนรัพไดสากล เขาเกิดมาเป็นคนโงูแต่ศาสตรกรบาคอยสนทนาธรรมะก็พ่อแม่คู่บ่อาจารย์กะมูกะเพื่อนว ค, คนหูหนวกเกิดมาหัวหนวกมาจะได้ท่องเมื่อไ้ยิ่งคนกิดแตศาสตร์กรคนเทศไห้ฟังมันไ่นอยากฟังมงันส่งจิบไปทางอื่ น, นคนนี้นก็เป็นคนหูหนวก ค, คนตาบอดมาจะกำเนิดท่านเนี่ หรือมาบอดไม่ก็ดีมันท่านละมานเนี่ยเจ้าศาสตร์กรเห็นพระเจ้าผสมไปบินทบาทมันบอกว่าซาเพราะสันไม่ทำบวรุก็เห็นมันขันข่างแฟร์เพราะสันมัะถ้าทาบริจากเข่าไปเมื่อนมันก็เข้าไปแล้วก็อัประตูซาเพราะสันเกิดมาอะไรเป็นขดตาบอดเพาะส่นพระพุทธเจ้า เดี๋วคนตาบอดมีหลายอีกหลายประเภทอีกไป้อนรักใครรักหน้ากขาเป็คนตาบอดไปโรบน้ำตาฟังตาหน่อยเป็นคนตาบอดมีหลายประเภทอยู่บขาเลี้ยงมันคือรวยแต่ลุงกูโอ้เขารวยหรือบ่รวยห้องไฮแะเนียเขาจะเขาติดําำเลยจะเขาติไปซ้ำเลยมกเขาติดอดตัวไปซ้ำเลยมุกเขาเข้าใจว่าแต่เขารวยคือเขาจี้เขาปล้นเล่นะห้องผนว่าเขารวยรวยจะได้แต่รวยแต่เฉพหะขาดเนี้ย รู้ดื้อตัวน่ะสิรู้ดืจะถึอตัวนะครับคุณสงสัยยังฟังถามคุณฟังไม่ออกนะพงออกไหมก็ออกบ้างนะฟัง้าเอาเนื้อถ้าฟังมาฟังไม่ออกฮึสีออกยังอีกว่ามางงงดูมัวตัว ตีนตําสะดุดนี่ําสรดุดเื่อวานตัวประมาทตะหลายเมื่อไรสีห่าเมื่อไรดำขีดเห็ดเก็บเาสั่นทางโอดเอาผลไม้ใส่ยามันม่ใช่เศราดอก อ, ย, อยุมาอยู่มาเนี่ยมันเน่าทางนหนที่ไหนปวดมุบมุบขึ้นจงองหวะเ ข, ขสาสายียมาใส่อยากไปท่านลัดอยากไปนั่นี่นนนยากก้วยอยากช่งอยากนี่อยากนั่งไปโย พ่เห็นแ่าแกเพื่อนว่าว่านี่ยทางไม่อะไรก็พอดีดอกว่วสัตว์พวกเขาขายสมุหงสบายกลัวว่าสัตวเขาจบจลเสร็ัเราไปใช้ไปทอดมาสิการสมุงสมัยกูบอกจดจ๊ะ เรื่งงองมากวดเพาะทีเราเโแต่มันกเป็นไหม้าศสังนสังขารเจ้สั ง, งขารเาช้อามวาว่ามันลุงกันมันม่ไหวแล้วขันพวกป่าถนาเขาสูพระผ่านแถลวไม่ไหวมันกระเพอปานเทา น, าดดน้ำจะขิดที่ใมันซึมหนีเมื่อวโหอดรมันไมีแนอยูได้ลำหา่า กินน้ำลงไปกับปานเทน้ำใช้กินใตใต้ทายออกทั้งกลอนทายออกทั้งทวารเบาชั้นเขาเข้าไปนล่เคือกันตอนเทศใช้ทะเละหลวงไอิมม่มอยู่มือหนึ่งสถานมือร่นมากครับเป็นแต่ ต, ต้ลงไปคออีกสุปมันไม่ยใสในโลกอันนี้มันก็นมีได้บอกเดี๋ย้าบัญญัติข้าบัญญัติเอาดื้อๆซมันไ ม, ม่สุกในโลกอั น, นี้ ทุกโหดตีตนหน้าทุกข์คาเปเลตาเด้ฉันประทุกทั้งปวงในโลกอันนี้บนเดมิบบนดมีสุกทอมเงง่าคาหินเด้อนเดมีซุกทอมเงง่าหินพระอดีเจ้าเข้าไปไ่ได้ก็ะมันจิไปเป็นเลเาอยู่บนเวงงาาหินอ้องสั่นมณนะ์มันบีเลยซุกไปหาซุกในโลกเลยหาโมเห็นดอกมันบนมี้คนขี้เกียจหาเคนจังเว้านายนะพระอดีเจ้าทั้งหลาย ใช้จะไวดดีหาแข้งคนกับไปเพราะาวงช้ำปูนะปูจหาอีกคนหนาเรงู้เจ้าเจ้าลักทิ้งกันเลยทย่อมนะเฮาเพราะเสวงเฮายังออกม่อยูนั่งล้มปูนี่แหละรู้สึก่ีสบายใจอยู่แต่ช้มผมเนี่ยังออกเพท่านได้กันคือขัามั้ออกมากเเดี๋ยวนี้มันเปรียบเหมือน หมูไมลูกินออนะครับอก <ใน S 1> อกล่<ม>าปั๊บนี่กับไม้คล้องว่าขาดแม่ไปแล้วลูกกันต้องบ่มีทา้งเพืงอทางอาศัยบ่มีห้องกินรถบ่มีนมเลยกินเป็นว่ถูกยุถูกยุแต่ว่าใันเนี่ความเพรียดอยู่ที่ทามวันที่โตคะมามาสังบันทีเป็นผู้ค้องเฮือนพระโสดาบันกับคล้องเฮือนได้อยู่พระอานาคามีกับคล้องเฮือนได้อยู่ค้ อ, นนองมาได้แต่พระลหันนะพระละหันมาอยู่แต่พ่ อ, นนอเก็บมือ พรอเคศรีคารวัตว่สมควรจะอยู่คนในสิบลงําปาด้วยครับส่วนพระอนณาคามีพระโสดาบันพระสัจธาคามีสามจัมพุ่งข้องหืน่นไันอยู่ด้วยตรงนี้ข้องหื่นก่ขอบเขตได้พวกเนี่มันเท่าข้องหื่นเท่าปฏิปทาเลเลมากไหมเขาในนันติคีพายตาย <c oughs> มันบกคือพระโสดาบันข้องหื่นเนี่พระโสดาบันข้องือนเว้นเหรออาบัยยังมุกทุกขอบเขต ถ้าข้ามีก็คือก่าผู้ใดผู้ใอยู่นานาบดนนะููนผู้ใดเลโตพันยหายนนนวเขาได้อยู่เขามาหายได้ยเนี่ยเขาามาหายเนยวเขาได้เขามาสงวาจ้เถื่อวาจะมูตู่ได้อยู่แสนนึงตวเสียหลายนแสนได้แสนหนึ่งประามมดเานี่ยโอ้ยเสียหลายแสนแล้ววะสั้น คนในร้านนึงไปถามลูกเสียมาหลายร้านเราเสียเรื่องนี ie, <c oughs> ้เพราะว่าเขานี่ยพูดไดู้ดได้กันนั่นเขาบอว่าได้ดิหนิถต่ว่าได้จะเสียเมถือว่าเอาหอกมันแท่งมัดนะสันโบแมนเด้เอาเงืนขายกระบองมุ่นไปซื้อขันว่าเอาหอกมัดแท่งมันเาสั่งเอาเงินสุ่มเลรนยญเล็กนะวะสุ่มเหรียวัตุสุมเหรยมันถือมหกรรมวไปซื้อบ่เหลีวเงินขายกระบอกเบานเงินเดือนลูกแป๊วเาบ้านเงิ่อนขายเขาเขบ้านเงินขาย มาแต่บมกโมเงินแนวอื่นมุ่นไปซื้อมันช่เอาหออมันแทงมันยังไดถ้ามาสาัมันเอาหออมันแทงเจ้าของคือแน่เท่เจ้าของอเนี่ยพราะว่ามันได้จากเถื่อเราพุทธเจ้าองค์ไดมาสอนว่าอ บ, บายยมุกมันเป็นทาง เ, เจ้าเลื่อนทับนีลจางเถื่อมู่งห้ามหองเฮ็ดจะซื้อเปลี่ยนคำสอนเทวดาวพระลิงเี่ยมพอเนาะ รู Ooh, ้แล้วย่าเตาพาร์โลมันจะเป็นเปโตเพียดเน่าในหมอโบราณมาทั้งคิดทั้งใจแต่ได้โบราณบอกรู้แล้วยาเนอร์ยาเนอร์รู้แล้วอยจะตีเตาพาโลมันจะเป็นเปโตเพีดเน่าในหมอโอ้ยมันทั้งคิดตั้งใจแต้แท้อืมพระโบราณ ม้วนกับพากันว่คอคนนี้ก็เป็นท้งวัดค้ามโบราณนี่รัางข้ามนี่บ่อว่าเป็นเสือแต่หนเป็นความกินเนี่ยคนเราอึด น, นามให้เรียนคืนพูดแม่นหลีขํามจากขํามนั่นนู่สาวคนน้ําไหลยืมวัตถีอยู่หลังปูเออตอนนี้นี่แหะพูดจะก้อเจ้ารียนคืนมาาบัางนี้คร้บมันมีม่ <c oughs> <c oughs> ต้องตอมาจะฝนตอมาจะูนเขียวฝน <c oughs> <c oughs> ตอมาจะฝนพูดยังเดียวฝด <c oughs> <c oughs> กัเมนแต่พูหน่ยมนแล้วูหน่ยบมีมันกับบมี่เลยเมีนอยู่นและอันพูหน่ยมันมีพูหน่ยบูมีกัแรไปบงรูู้เก่าหมดนี่บูมีจังเมั้งะ่าพูอย่างเดียวหนูมีอยู่ดอกเดี๋วก็พูเขาคำมีอยู่พูดเก่าก็พูดได้นี่บูมีพูดอเขาบมีพูดแล้วสั้นๆทกโลกกู้กุ้มเขาเนี่ยไม่อยากมีละ พว้ห้าแท่นดินไกลๆเน่ะเน่าๆเนาะอืมน่าๆผ่ามมันจะเก็บน้ำมันจะขึ้นในน้ำก่อนหินบนผู้สั้นๆคืออันมือกรุกแกวห้วยมันพวกสันปอดอวมันจะเก็บน้ำไว้เหนม่้มีอ่างหินอะไหล่เม็ดอะมาถิ่มห้างกระดูกลายอะเออไอเนี้ยตาสงสารไง เรีอนตำแหน่งมาน้นหลวงเจ้มูฮั่ที่แดกกับบักลาอี้ข่ำน้ยนอยๆเดินมากับบักนั่นบักนี้เดินมากกับพ่ออันั่นอันนีเดินมากับแม่ป่าพ่อรุ่งเดินมากับพ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่พ่อนตานีหูเดินมากกับปูนี่ตาหรือพ่อปูหรือแม่ยาเรีอนตำแหน่งมาเรื่อยๆเรีอรนท้งเขาคองไ อ, อ, อยเห็นตัว <c oughs> ในลาบในยศนะเออเพื่อนในลับในยศเลยอ่ะหัวเงอะกระตัวหัวข้าจับอ ก, กระบพาะคือขี้ควายเคลื่อนหัวนี่เพื่อนได้ตำแหน่งด้ว <c> ย <oughs> ได้ตำแหน่งนเกี่ยนจอบฟันฮักแขวกระบอมี่นะเพ่นเรียนตำแหน่งเพื่นลูกกระอ้ยนั่งกรโอ้ยแล้วบาหนึ่คมหัวข้าวะ คู่แม่กูได้กินเขาแล้วว่าเหอเพราะว่าเขาเท่าหลายหอมยนี่จะกออรวกนั้นลืมอน้อยเพราะหายไปท่างรเขาจะเยาว็เขราให้เว็นยันมักเกิดแก้เก็บตายในวัตต้สงสารเถื่อปฏิจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมอันไหนที่รุดพ้นเพรกับกลอกบ่เหลือเศษให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงด้วยในขณะนั้นน่ะลองส สิควบสงสัยตอนนันกัสิ่งควสงสัยตอนปัจจุบันนีกิปัจจุบันธรมว่ามันจิตอดีตโดจิตนาคตจิตอดีตนาคตโคดเนี่ยไปอดีตมันก็นล่วงมาเลยมีแต่บซี่มันนาคตมันะมวนมาถึงมีแต่บันซี่มันปัจจุบันมันจังมีอยู่มีทั้งของแก่ของเก็บของตายมีทั้งคุณพระบุตพระธรมพระสงฆ์มีขบ๊ปัจจุบั น, นีงยลอกฉั มืออื่นมีบอลสั่นมีแต่ซื้อมันแล้วกองบอมนหอดหนูว่ามีบอมีแล้วมันล่วงไปแล้วจะว่าอย่งไรสั่สมมติเป็นมือมือสมมุติเขามาใกล้ก็นั่นฮะนี่ข้อมวังวังวังนึงนี่มันย่งบอลสั่นว่าแล้วมันล่วงไปและข้อวือเดียวนี้เนี่มันก็ล่วงไปซึ่งมาในยินเดียวนี้มันก็ล่วงไปซึ่งมาอันนี้บอกไว่ไหวของสันว่าช่งทึงไกลแล้วมันก็ล่วงไปละ ชิงไหนทิงเกิดขึ้นบ่าลวงมีดปะน่ยเคยมีหน้าที่กวดไปกวดมาเนี่ยมั น, นมีดจะกรอกจะกรอบไปมดสาวมันสาวนึงก็ไปว่ามันลวงไ่รอบนึง น, นะเข า, าว่าอะไรทน้ยวินาทีทนายวหนาทีนะมันจระลวงไปเฮาเห็นแต่ว่าว่าชุดกวมแต่ท่านนั้นแล้วแต่ท่านั้นแล้วแ่ท่านั้นแล้ว ว, ว่ายุทธมือนี่มันกับพระท่านมันขึ้กัน วันร้องไปอยู่อำนาจของอานิจังเห็นค้อมเกิดข้อมดับเห็นค้อมบ่มันบ่เทียงขคาะคิดหนึ่งยังดีก็ผู้เกิดร้อยปีผืนยังมาเห็นค้อมบ่มันบ่เทียงมันถิทํา้ำไฮเป็นเบื่อนายไข่หมออในวัดตาสงสารใดเด็กพระวนาจะเป็นคนมามีวัดมันสะดวกพุทโธกับภระวนาพุทโธ มันสะดวกลมให้ใจเขาออกก่อยพวหน้าลมห้ใจเขาออกมันสะดวกเมตตาข่อยพาา่อวหน้าเมตตามันสะดวกข้างกระดูกข่อยพาา่อวะหน้าห้างกระดูกจะถือเป็นคนบ่มีวัดมองฉันผมมีขวาวัดปฏิบัติจาของมันสะดวกพิา่าจ้านะจ๊ะพี่เจ้าเป็นคนบ่มีวัดบอดีเดี๋ยเป็นคนบ่มีทีเพิงบ่มีที่เบิงบ่มีขอวัดบ่มีขอปฏิบัติ คือมืนะคะจินยังหดกอดคืก้วยบักเล่นี่พระบวบวาะวานาะพุทโทษบวามมาสินนั่ก็ น, นั่ตูมหลดสิตกสามโหนพูทโธทมโมทโมังโคขบวก า, กาบมันกับวัึกเนี่ยจะค น, นวงมิขวัดโทษทมโมสังโคสามก้มท่านั้นก็ได้นอ่นภาวานาต่อจะมันรับคุณถ้าคืดไว้มันก็บวัตรประเทศ ด, ดอกมันมนหอดยามุ้ามา <c oughs> โเ้ยเอาแล้วฮะนี่ใยใช้โรงระบาดเนี่ยแลฮะนี่เลือกกันฮะ ไปชุบุครใส่รองเก็บใส่ละคระธอทัมม้งโมทั้งโคไปชุกไปชุกไปชุบไุ ก, กใส่ลงเลมัดมือหมดเมัดมือหมดเะทั้งทั้งโมัดมือมัดมือหมด